เวลาที่จะย่อมจะสบายแทนทีงให้ดับยาคัดกินาเทศกินาเมหกินามันเกิดขึ้นจากอายุชะนะคือตาหูจมีกจีนกายใจมันจะเกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นที่เยนาภายในเยนากายใจของคนที่เราเชือคือศึกษาธรรมะคือปฏิบัติธรรมะคูรู้ธรรมะ นเป็นรู้มากรู้ใจตัวของตัวแถั้นก็เพื่ถึงเตหมดอดีตอนาคตที่ผ่านมาแล้วยังหมดถึงมันเหมือนกันความบริสุทธิ์นั้นในว่าพระพุทธเจ้ า, าจยังทรงพระนม์อยู่หรือบริญญาผ่านไปแล้วมันเหมือนกันยืดจันทรหาเงก่อนหาเสาเหมือนกันอีกคนในสมัยนั้น แต่คนนี้แต่ไหนไมมีอะไรดีอะไรเท่ากว่ากันมันเสนอใจจะเปสนมอโอ๋ว่าเมื่อเกิดทำพระพุทธเจ้าเรีนนลสนธินาียอาภับกว่าสาวกเกินลึกลับนติ่ที่จ้านาธรรมะถึงพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมเห็นอาภับสันติไม่ทิ้งยูไอาจไม่ทำละถอน ทำผิดของของใจได้แต่เราจะไปคิดเนี่ยนั้นมันเป็นทางผิดทางห่จิตใจทอดถอยสิ่งที่เราทำนันก็มีอยู่ในตัวของเราแล้วเพราะสิ่งจิดควนละล้วจะต้องพยายามละพยายามปล่อยวางพยา ย, า ม, า, ยามที่จะนาเนี่เขาถึง หลักทมจริงจังโอเคว่ะ okay. จร่งจังนะแล้วกลับบรเพนญจริงจีควรบำเพนแล้วกลับละถ้าเป็น่บง น, น, น, น, นั้นมันก็ไม่มีวันเวลาที่จะถึงิมืมมุด้า้พอเราหัหลังต่อทางเดนินคือมักเดินมักผิดเป็นฉะมัก มันก็เลยมนถึอจนตหมายใจทายให้ดีใจจังทุกกายทุกใจเดยียดร้องเยื่อายแถวนั้นความสุดความสบายสงบสงัดไเกิดขึ้นเลยได้ถ้าเราปีิบัติผิดในเดินทางผิดจิตคิดคิดผิดงจิดม่จิงจิงคิดเป็นทาลเจอตัวเนื่อยรงโดหงิเหนื่อาฟังเสียงถ้าใจคิดคิด มันเกิดโทษเกิดทุกข์จับจีนถูกิตถูกมันจับเป็นอัดเป็นธรรมใจสงบใจรันเราจึงควรสอนใจข้งเราที่เจอมาใจข้งเราเราจึนอย่างไรมาปฏิบัติกันไมช่วันสองวันเป็นยวระยะเวลายาวนานพอสมควรแต่จิตใจจะเยือกเย็ง เป็นศึกนั้นหายากเพราะในตัณหาส่งปาศึกษาในตัณหาสังปาปฏิบัติเข า, า, า, า, า, าทำไรทำมาถึเจ๋งเหนือยากล่ากเขาก็ยังทำสำร็จเหรอเพียงขวัญกันนี่กันเพราะเขาตัณหาสัง้าทำตักดำที่ได้ต้นที่นั่นเนี่ยจนรับเุยสิในล ง, งานของเขามันดี ล้านจีแสนเต็มเายังทำเสด็สนข่าวที่เขาจูิเอาไว้มีสารเลหาหนังที่นี่ที่เจอาตั้งใจรักษาหนังภ า, าในใจใจทำความดีนั่นก็จะหน้าขึ้นทะเยอทนขึ้นความทุกขเคยก่อควมจิตใจเ่อปัญหาที่เคยโยกค้องนั่นก็คามหมดไ ป, ปกตกไป ถ้าเรามีปฏิปัญญารักษาใจขอานี่เลยที่กมามอางน้นมันอยากจะไปที่ไหนมันจะคิดอะไรต่อมันไปสามเรืจิต ง, ง, ง, งวุงว่นวายเหยืร้อนีสตาน้าเรไปน้าป็ตกบานเอ๊เจ้าเหายอยู่นัน่ะ เ, เอ้เยือยื่้งงางอยากะไรน จนไปเดอดเ่าย <VIN> <ti> ่าเล่าเล้ไอ่านไปตัดไดมหยกล้ออยู่จนคอแตกังกลุ่เป็นผลเปประโยชน์อะไรให้การปฏิบัติงาจิตใจจะทำงานเดียวกันอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปอ่านที่อื่นอ่านจิตอ่านใจทั้งกลุอ่านใจทั้งกลุดูภายในในจุอย่างเราแต่ที่ตัเจ้าว่ามันจริงไหม หรือเรายังเป็นเด็กยังเด็กอยู่ถ้าในใจทันธมิจะเตรียมมาอ่างนี้ถูกขังมาถูกโยมมาถูกก็คอจะทราบอนาจารย์มันทราบอนาจารย์ได้ไหมถ้าพิจาราตามธรรมมันเข้าใจมันมีอะไรปิดบังอัพาโลกอันาี้ทำสอนจช้ด้วยกัมันจริงเป็น ข, ของจึง จากคนไหนที่จะสามารถทับ ท, า ท, า ท, ท้านความสอนงยุติศาสต์การเห็นผิดที่จะมาผิดใจใจผิดสองโลกผิดพราะคสอสทั้งๆผิต้องเวะลาะปดิจิตังไป ร, ริจิตทางความจริงอย่างประาการที่ คำสอนองท่านที่ประกาศเพื้อนำใจในลอริสุรลอรูนม ไ, ไดดมีอะไรผิดบกติถ้าคนที่นิ จ, จิโนาไดถูกต้องตามธรรมนะไม่นิดไม่ี อ, อะไรที่จะตงใส่หมืที่นจะจมาพยายามรักษาในนี้ใครที่จะเป็นผีดพลา มาปฏิบัติให้เราเท่านั้นที่จะปฏิบัติตัวกให้เราแต่ดีให้เห็นให้ดีให้เดนได้ใจของมนุษย์ย่านักเวือเลอะเล้นนาโดยเฉยใดใครคิดคิดข้องกับด้าวักถุกด้ารูปย้อนเวลาต่งางๆอิจขา อย่นี่พี่เจอมาเรื่องธรรมะไปยึดไปผิวแบบความสุขอยู่กับเิ่อยงนั้นอะไวแบบความสุขนั้น้างจิตของเรา่ใฝัน่งหลงแล้วมันสุขมันสกบมัสบายมันอนอื่นในโลกที่จะไปเสจ เลืเล่อลอยยิ่งยี่งาสิทที่เข้าส่งเสริมมีเจ้งมีอาจมีทำแต่ที่ไม่ลืมหลงคือ ท, ที่นี้อาจมีทำทในจิตในใจนั่นจะหน้าแตงหาจะอย่างไรก็อย่างไรเข้เาใจก็แต่ทีเจ้ามาผ่านมาแล้วอยู่เรายัางไมได้ที่เจ้ามาผ่านมันจึงลืมหลงมีนจึงติดข้อมันจึงติด มันข้องที่ไหนสาหัสอะไรละในท้องในแกะไขจิตมันจิดมันข้องมันก็ปิตดดไปเร<อ>ือยไปแต่เราแกะไขจิดจุดข้องมันก็ค่อยหลดจบออกไปใจจัตข้องจิตในรูกขอนวิจารณารูตามอัธธรรมคำสอนที่พระพุทธเจา้าแงสอนทวกนกระแสะทั้งโลกเขาเ้าไปหาธรรม ถึงจะลำบากยากเยนแตพยายามพราทางที่จะส่งหงสุดสุดยานไม่ใช่จะต้องไปเหี้ยนี้ทางนี้ไม่็่อยไปตามอันเธอใจเลียงตรนี้กันมันมีตรงนี้จะเรามาที่ล้าชอบเรายินดีก็เพราะค่ามยินทอ้งใจ กเีเสียงที่เกิดขึ้นกระบาดไปอนี่ยเสียงคนเสียงสา์หรือเสียงอะไรทั้งหมดในโลกในอย่างนั้น่าหิ้วแต่ไม่ได้เพราะเสียงบางทีมันดังมันกระด้างจนพูดกันไมยินแเสียงตัวยิยนผ่านไปแต่นี้ผ่านแปว่ามันกระบาดไป โลกเป็นอยนี้กันมันในต่างหนังท น, นมันเป็นไปทานายกันหมดโลกอันนี้เป็นความจิกความข้องความเยอะความถือตัวของตัวเองก็เป็นอ่างนั้นชิมนอกตัวก็เป็นอย่างนั้นมีอะไรหรือคือเป็นปัญหาสำหลักใจที่จะให้เยอะมากที่จะให้เลื่อนหนยนันมีอะไร เขาใส่ใจตามเป็นจีิงอยู่ในโลกอีู่ในจิตในโลกเขาทุกข์เขาลบากเหยื่อร่อเยุ่วายกาปรเปี่นเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติขาดันท่าน้นแต่จินั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เสียใจเป็นอย่างนี้ดีใจ้วยไหมใจใ ท, ทีนี้จาราสอบสืบภายใ น, นดีใจทังตัว ยังยังทำได้ยันเอียงเอียงยัจุดข้อพยายามัะจึงเห็ น, น, นวูนาหเห็นตามเป็ น, น, นอเอีงมีอะไรที่จะเกิด ท, ที่จะดับหรับผู้เกี่วความรู้สึนี่นอจกินจังไม่อะไรที่จะเพื่อเติมอดางะทำไม่ได้ มันเพิ่มกันีปขึ้นเพราะสิงั้นมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วจะทำอะไรไปอีกไม่ทราบวางหมดแต่ตังแตมีอยู่อย่างคือหมดจิตที่ททะหะจะมันเพ่นความเป็นของนวอ่งใจ จหมดขุันจบขุมจันการละันนเท่าหนึ่งคิดอินยิ่งกว่านี้มอีกตาาตาลีสืยเห็นเอาไว้เราเห็นด้วยไ้มเรเนด้วยหมต่เราอยไรเนอ่เห็นก็ควรนอนใจหลจะเอากัรไดเวลาใด ก็ปฏิบัติตายใจทั้งสนหลายอย่างมีอะไรมันชัดเจนมีควรนองใจควรตค้งหน้าถ้าเปล่นผาดขังมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจเรื่อยเหมือนแต่สลใใายดังฉิงจิตห น, น, ตนาใจทางมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะคนตายมาซึ่หน่นักแบบขนตาหัดไม่ได้แต่ยังมีชีวิตอยู่ มันเป็นเครื่องหยุดนึ่งแต่ทำมันเพินให้เห็นหรู้ทุกสิ่งทุอย่างถ้าเราที่เจรณาเป็นธรรมมันเป็นธรรมไปหมดมันมีอะไรที่จะเป็นโลกอ้าหยเป็นโลกมันมีอะไรที่จะเป็นธรรมอีกมั้งกันมันเป็นโลกไปหมดนี่ยใจหยไดม่ยรจหยัดเนี่ยใจเบียดเนี่ยไม้เนี่ยใจห เวลาร้อนความสุขของจิตความโศกของจิตยราเห็นมจนใหายใจจนโลกโลภไหมเวร้อมันเดืลดร้อนโลภของจิตของใจรักษาโลภของใจตัวรักษาโดกธรรมหายยาอีกไมมใสนะ่ไหมหายตัวไหนบ้า วมียาอะไรที่จะดับกิเลสปัญหาอจากจยาธรรมะที่พระพจสอนแถวนั้นธรรมะนใดก็คือสติปัญญาสติความรู้ยัญญาความที่จะมาในสังาหตุที่เราอหั้อดไ่ัลงหงาภายในหสงขาภายน าจะสงตเอาตอนวายุทํานึ่งสังารเกิดขึ้นไครับแต่เยงตหลายทั้งหเรา่ารายละเอียดสิที่เร้เห็นความเป็นจริงคืออะไรมันยัไม่เคยเห็นในจิตในใจทั้งตนมันเป็นหล เห็่าวิังขารืออะไรใจของเราจะเคยเห็นเคยเป็นันก็ไม่รู้แต่มัรเห็นมันเป็จงเราอิสังขาไมันจะามันต้องอธิบายให้ใจเคยเป็นขันขารเคยเป็นเคยคิดเคยติดเคยขามาคอและความร้สก จิตบอกเข้ไใจเห็นชัดหรือฟังขานเท่านั้นไม่เข้าใจอันนั้ น, น, น, น, นหนูใส่ฟังขงานหนูฟังขาง น, น, า น, น ท, าที่จะตีบอกธรรมะเานั้นจะเข้าใจจ่เห็นยิ่งได้ที่อื่นนี้ถ้าจะยังรู้มากขนาดไหนสังขาที่จะวห็นใจจนยิ่งฟังขาน พยายามกำหนดชีวิต ท, ที่เจอม า, ารักษาเพาใจของเรายัางมีโรคมีภัยมีกิหลสปัญหาอยู่เ ย, ย, ย่ายตายใจงานใจทำอะไ ร, รทำจริงเดี๋ทำเลื่องการปฏิบัติ บ, บ, บางเพียงปีเดือนผ่านไป เมื่อที่มองเห็นมั่อี่ไม่นอะไรมันก็เนยอ้าวมอเห็นเป็นตาทัมองเห็เป็นหย่างนั้นเขาต้องมเป็นตาทันนั่นเป็นอ่างนั้นนี่ต้องเห็นเป็นชขึ้นเราอยู่ด้วยควาสะดวกสบายที่อยู่ที่อาศัาดูให้ใส่ใ ข้าแต่สบายอะไรก็หาเงิ้ยู่ชิดเงินข้าราคาอะอาหารอะไรอยู่ชิดเงินกันควรเท่าไหร่ก็ยกเกี่ยวับเงินยอะเบี้ยค่ายาจะทุกเดินห้วหิ้วสับหิ้หิ้วหนาถ้าเม่ว่าเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความสขเนาะชี้เะมีความเคียรมีสติปัญญารักษาจิตใจดา ใม้กิ้วยาแบบนั้นตเรา็องไเปลืตาที่เจอนนไมเม่อายเขาลื้ที่เตวจะด้วยชากิกิดน่งไยีัยโดยยอไปต่อที SO ่เจอนางจะหายจเขาเสียเคชเิยข้อเดเาไก็ตไป เวามันจะดีห้่อย่างสนใจตอนักปฏิบัติเด็ดเ่ที่จะเงินหนที่จะเงินาใจแั้งสินปฏิบัติให้ถูกต้องสมาธิะจ๊งจ๊ง ตัณหาตัณหานเดวิดถึงในใจที่เรามีเรืีเกปแล้วอพตพมาเปนอย่างไรเราเกิดรงนีภายในทเราทะเลาะมีทางในสุกรักษาใจแล้วส่ที่ท่านไปบอรับเขียนเอาไว้ในใจจ๋าภายนที่ใจจ๋าใจจืดเขีนือ เกิดไปจากที่เขาคือไปจากนี้ที่อาจารย์ถึงที่ถึงท <c ười> ี่มาสอนเราถึงไปเขีนถึงสมัครลาอะไรแต่ในเรื Sad ่องมีเพื่อนด่างดวยมีเพือนอะไรที่ไ่รักกนนจะพัอ่อนดูาดูใจเพื่อเพื่อนอ่าเขียวดีอะไร มันจะเป็นหมันเป็นโมฆะเป็นพระโดยที่แตจิดใจเลี้ยวไหลเป็นเดนเป็นไผ่เป็นดักเป็นมารขาหับตัวและคนอื่นทุกอยังที่เจอหนาละอายความคิดถึงภาวในข้างตัวผีเขียวผีเชื้อต่างต่างมันจะละสายมันจะทำามันเพิ่ โอกาสเวลาที่เหล่านี้เป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติมันหายได้ควรจำเงินแสนหลา้านจะไปสวีทัวรโลกในจำนวนแสนจะหาคนเงี้ยก็หายยากที่จะมีโอกาสมาภาวมาภาวใจคือเราเป็นคนที่โชคดีแล้วในเ เขามาเป็นภาเป็นเงนเป็นนกปบเราไปทางางจ้าปฏบติรักษาราจของเราอย่างไราพก็บตาพิจารณาอยู่เ่ยนถึงจะสอาดได้อยู่ในเสียหายพยายามจุดบั้งเอาว้อี้หายอยู่มันดีมันุมีสบายพยายามที่นี้จาารักษา ในควรส่วนควรมาไว้ในห้องส่วนมีเสียไปเนี่ยฉั่วรักษาดีในตัวไว้ความดีแต่แต่ทวีควรขึ้นถึงที่สุดอยู่เมื่อมีทางเป็นอย่างไรจะพาใจในตัวเองมต่องเพ่อส่แต่เน่าองเจ้าเป็นสังคีตโกเทโิ๋วเหมนเอืองจนตัดจบไปมีสพาพ นี่คื่อผิดแพี้ยน่างเราเข้าใในการตนงใจเห็นใจทังตัวขั้วเราที่มี่ี้เหลกกม่จะรู้มีขี่หลดทำไมกะไม่รู้รู้อยู่ที่รัยะที่เวลาถ้าปฏิบัติรักษาดูภายในถ้าไปดูภายนอกนี้ก็วันเวลาที่จะรลุ่มโยงจิตจะยิ่งโยงเดือดไปฉะนั้นการที่เจรมาใจการปฏิบัติ อยู่เนๆพรรษาจะผ่านไป็นเดือนแล้วความดีไดีเกิดอะไรไหัเตัวเปิดขึ้นไหมเขาทำมาก็เสร็จแต่ละตักดำของเขาแต่เราทาจิตทำใจได้อะไรไหมจะพาพรามาจนจะถ่ายน้ำอยากตายพิจารณาหนอ่างนั้นตายใจนอนใจอยู่ไป หมดเดือนหมดปีหมดพรษ า, าหาสาะอะไรไม่ได้ทำให้ติดใจงตัวให้ตื่ที่พิโยนาที่ระยะที่เวลาี่เป็นต้นหาของระที่ไหนถ้ า, า, าี่โยนาธรรมะมันกี่วจะตายไปตกวธรรมะหมือมความหมดเกียวสองสว่างแต่และ เราอไวไ้เหือยไม่หายใจไม่กล้าเข้ามาแต่มีอะไรไฟล์รบดับเหนือยนึงก็เข้ามาแถวนั้ น, นจนนิตใจของเราทั้งไปทำงานเดียวกันเหนื่อกันหามาน่ะต่างที่ต่างนี่จะเนะท่ า, า, าได้แต่เพราะอาศัยขาสติาดปัญญาาดธรรมะทางใจขาด ม, มีธรรมะอยู่ลวอย่างเหลนั้นไม่เล้าเข้ามา พอใจมอนทำหนัอเฉียวเดคิดในทางดีทางเชื่อมันก็ตกไปคิดในทางเชื่อทางดีมันก็ตกไปแติมันดีเมื่อมัเชื่อิดตนันกับคิดเล็กคิดอยู่นี้มันเป็นทางที่จะแก้ตัวรักษาตัวให้ดีไปได้การปบัติย่าดูที่อื่นดูจิตดูใจของตัวดูภายในของตัว เกียรติอาไรจะกียราเวลาผานไปผ่านไปอะไรที่จะมีคุณค่าละมนมีดขึ้นมี่หมดไปตามวันตามเดียนตามเดือนตามปีที่สุดก็ตาด้วยตายเละะรบวดอะไรนี้คุณค่ามีรับอารห้ ตัวเ อ, อ, อ, อ, องกิจนตัวเองการทความผาดความเพี้ยนมือแบบจงรำจงคื่อนแตเอาใจใส่ใจใจทำอย่าง น, นี้จะเคยตัวมันจะจนหนังจนเหล็กอนเตา เ, าเราจะทำประโยชน์อะไรก็ได้มันได้มันได้ไดจะ่เป็นลก จะสับไปยืมอะไรก็ไม่แตกแค่เคยตืวนเป็นอย่างนั้นยามนั้นก็ผ่านไปวันยานก็ผ่านไปปีนั้นก็ผ่านไปดีใจเคยแต่วัดแตว่ากันศาสนาได้ไหมเตือนไม่เตืนตัวอะไรไปทีไหนจะทำด่างเก่าเพื่อด่างเก่าทุกด่างเก่าการที่จะแชเขายตับเตืงใจแต่ใครจะเอาใจใส่ ปองเ้ไปตามเื่องทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนั้นหายใจใส่เยลารักษาไปที่บมันมีทางดีไ้ทางดีไม่ได้เป็นอย่างนี้ใครจิตจะเป็นพาลีเจ้าได้เป็นผู้ที่ชนอยู่ใ น, นทัหมดในพระพุทเจ้าควาเห็นอนนสูงของการรักษาจิตใจของท่านเป็นอย่า ง, า ง, างนี้นส ขายวกขายรผู้ปฏิบัตามก็เห็นก็เป็นด่างก็คิดใจเจ้าเห็นเหรอทำไมมันจะเป็นโมฆะหาอะไรที่จะเห็นจะเป็นด่างนั้นไม่ได้มีแต่ที่เดียวแหาเต็ทับเต็ที่ตายใจอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งที่ขี้ว่าพระคี้ว่านักปฏิบัติเขาด้อยู่วัดมันจเห็นหลวองโกล ก็ก็ะคิดได้ย้มได้ ค, ความเฉียวความเชียวอ่นี้ทำไมหนึ่อนใจหนึ่ละอายใจตัวอยาา่าย ง, ทยงที่ใจนาแก่ไขบางทีผ่านไปจึงจะเกิดประโยชน์ัอย่างนั้นก็ไีอะไรที่จะดีเกิดให้ที่จะเฉ่ยวจะเชียวเดือดใจ กที่เจริญนะจะมีปัจฐานทั้งสี่ที่มีอยู่นี่กายในใจขงตัวคือกายเวทนาสิจธานแล้วจะเงินจะเงินจะย็นจะด่นธรรมะสี่พระพุทธเจ้าบอกให้เรากำหนดที่เจริญนาในมีอยู่ แล้วมันปยได้วางได้นันสบายอ่าไปหมดเพรจิตนี้จิตสบายวาเกิดพวกใบ่าไปมันก็มีการเพรใจปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอนาคดเียนจะเป็นไปทางไหนไม่รู้จ้าแต่ในโลกนม่ เกิดปัญหา <c oughs> หลับเผลอมื่อวนล่มอยู่ตลอดจิตมันสงบยับจทีเกิดปัญหาหมดไปแล้วม่นสงบมันสบายอย่างไรทราบได้ถึงมีอะไรที่จะเส้นสยเลยลก ที่บว่เขาบ้าทำไม่สอนมันจิตมเคยตายมาแล้วจิตกลัวมนแต่พี่จาที่ถามเขามันแล้วมันมีอะไรที่เาหน้ากลัวทีเขาตายไปเทก็ตรคนมีหายใจอยู่นั่งจกับเราแต่ก่อน มันก็ตายไปแล้วไปสังเกตเขามันเกิดอะไรแตกโยกคนตายตาไม่นแตกมันสลายตายข้างเราที่อาศัยอยู่เราทำไมถึงกลัวไงไอ้เกลียวทำไมถึงหน่อทำไมถึงอยู่ทำไมอยู่พอคิดเจอมาหาทางแก้ไขควกลัวข้างใจกลัวอะไรกันเนี่ยกลัวตาย อะไรมันตายดิน้ลงไปด้มันตายมันมแต่ไม่ใช่ไรถ้าจริงแล้วสมมติอย่ายิงมอย่าใช้เลยถ้าจะบุคคลนี้กูเนลียดมันจักถาดั้งเสืนนี้แล้วสลาตั้งกูไปสอันนี้ที่เราอยู่เราอายเรหนก็ไม่นาดอันนี้ทาไมเมากลัวกลัว อย่ันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไปอย่างของท่ามันจะเป็นท่าเป็นขนอย่างถ้าที่เจ้านาถึงฐานของมันมันยังมีอะไรเสียสงสัยมันมีอะไรที่จะหลอกใจของตัวมีสิียดที่เจนะมันกหกพวกเรือย่างไรก่เชื่อมันไปมันก็มีเวลาสงบเงียได้้วันเวลาที่จะฝึกจะสบาย สอนใจของตัวพี Không, right. ่เจนะให้เ่อนให้ถึงความสุขความสบายจะเกิดขึ้นแต่ละใจที่ได้ชำระยน่งเราพอต้องเก็บเสียละ